เดี๋ยวต่อในเรื่องของไอ้ที่สนทนากันพูดถึงในเรื่องของอาชีวะหรืออาชีพต่อการสแสวงหาก็คือการหาเลี้ยงชีพเนี่ยทีนี้เราได้ความหมายที่หนึ่งะของงานแล้วทีนี้ก็คือว่าคือเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพที่เราพูดกันในแง่ที่ทำให้เราได้เงินทองมาหรือได้ปัจจัยสี่ ทีนี้การหาเลี้ยงชีพอย่างไรที่จะเป็นสัมมาไอคำว่าสัมมาเนี่ยก็แปลว่าถูกต้องคือถูกต้องตามความหมายของมันนะสัมมาเนี่ยถ้าจะเอาให้ลึกซึ้งก็อย่างที่ว่าก็คือเช่นเป็นคนทำงานหรือการเป็นนักศึกษาเนี่ยการที่จะเป็นนักศึกษาก็ไม่ใช่หวัง เพียงเพื่อว่าให้ได้ใบ ป, ประกาศหรือว่าเรียนเพราะว่าเก่งอกเก่งใจพ่อแม่ปู่ตายายายายไม่ใช่แต่ว่าเพื่อให้ได้รับผลที่ตรงตามเหตุก็คือให้ได้ข้อมูลให้ได้ความรู้พระเกิดความรักปรารถนาอยากจะรู้อยากจะไยรู้ไยเรียนไยศึกษาเนี่ยต้องการจะชาญฉลาดรอบรู้ในวิชาการนั้นๆ มันก็เลยขวนขวายในยนก็จเจริญงอกงามในวิชาความรู้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจถ้าเป็นหมอเป็นแพทย์ก็คือว่ารักษาคนไข้ก็คือต้องการจะช่วยคนไข้หายป่วยหรือช่วยให้เพื่อนมนุษย์ในสังคมนั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บให้หมดไปจากกระแสชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ส่วนเงินมันก็กลายเป็นผลพลอยได้เงินเดือนทั้งหลายหรือค่าตอบแทนทั้งหลายเนี่ยอันนั้นเป็นกฎสมมุติถ้าหากเข้าใจความหมายของคำว่าสัมมาอาชีวะอย่างถูกต้องแล้วอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นความเข้าใจที่ถูกในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาชีพของมนุษย์ถ้ามองในแง่ของสังคมก่อนก็คือจะต้องมีคือจะต้องมันดีแก่สังคมดังที่กล่าวเน้นว่สาสัมมาอาชีพก็คืออาชีพที่ถูกต้อง นั้นก็จะต้องไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนและไม่บั่นทอนทำลายสังคมเพราะฉะนั้นจึงมีคำอธิบายว่าไม่ผิดกฎหมายก็ว่ากันไป น, นไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนไม่ทำลายใครอันนั้นเป็นเรื่องของเชิงปฏิเสธไม่ใช่แค่ปฏิเสธหรือจะต้องมีความหมายในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเนะนอกจากไม่เบียดเบียนก็ต้องส่งเสริมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอได้ส่งเสริมแล้วไม่พอ ด้านของการงานตั้งหลายอาชีพที่ดีอาชีพนั้นก็จะต้องเปิดโอกาสในการที่พัฒนาชีวิตของตนเองนั้นเพราะชีวิตของมนุษย์ต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเมื่อเราได้ทำงานใดๆทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนั้นถ้ามองให้ลึกลงไปทางด้านของอาชีพนั้นสิ่งที่เราจะต้องได้พัฒนาก็คือสามด้านหนึ่งในด้านพฤติกรรมคือการเดิมเนิมชีวิตทั่วๆไป ความเป็นอยู่พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้ได้มีการฝึกพฤติกรรมทางกายฝึกพฤติกรรมทางวาจาฝึกทักษะและการเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยด้านด้านพฤติกรรมเนี่ยต้องต้องได้ฝึกมากขึ้นในด้านจิตใจก็คือขับเน้นในเรื่องของคุณธรรมคือว่าหนึ่งสภาพจิตได้คุณภาพทั้งเมตตากรุณามุทิตา ทั้งความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทั้งด้านคุณธรรมคือความกระตันยูกระตวเวทีทั้งหลายเลเนียด้านคุณภาพของจิตใจด้านจิตใจด้านสมรรถภาพ <c oughs> หนึ่งได้ความเกล้ากล้าได้ความอาถหรนได้ความมั่นคงทางด้านจิตใจได้ความอดทนได้ความระลึกได้อย่างมั่นคงได้ความตั้งมั่นแห่งจิตนั้นสมรรถภาพนี้ก็คือด้านจิตใจ ประการต่อมาคือด้านความร่าเริงสดใสสุขภาพจิตที่ดีนั่ต้องได้นี่เขาเรียกว่าด้านจิตใจใช่ไหมการงานที่เราทาทุกเรื่องประการที่3คือในด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดพิจารณาการวินิจฉัยการแก้ปัญหาการจัดการดาเนินการทั้งหลายเหล่านี้นั้นถ้าเราเจริญงอกงามได้ก็ต้องเก่งในด้านต่างๆเหล่านี้ ด้านพฤติกรรมต้องพัฒนาขึ้นด้านจิตใจก็ต้องพัฒนาขึ้นด้านปัญญาทัศนาความเห็นมุมมองทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องชาญฉลาดมากขึ้นใช่ไหมอาชีพก็ต้องมาเอื้อตรงนี้เหมือนที่บอกว่าด้านพฤติกรรมนี่แหละถ้าราู้จาักดำเนินชีวิตให้ถูกต้องรู้จักการอยู่ร่วมและการทํางานร่วมกับคนอื่นก็ได้เรียนรู้มันญาติต่างๆรู้จักติดต่อเข้าพบเข้าหารู้จักพูดจาปลาใส รู้จักในการที่จะปฏิบัติการงานต่างๆให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไปพฤติกรรมของเราก็พัฒนานะทักษะความรู้ความสามารถก็พัฒนาทางด้านพฤติกรรมโอ้โหละเอียดอ่อนมากขึ้นด้านจิตใจเวลาทํางานในขณะที่ฝึกอยู่ร่วมกับคนอื่นก็วางท่าทีทางจิตใจได้เป็นอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับคนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมีน้ําใจเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนะ และในตัวงานเองเราก็ได้การฝึกในการเป็นคนรับผิดชอบมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนมีความมั่นคงหนักแน่นมีสติมีสมาธิมีความตั้งมั่นในเวลาที่เราทํางานพร้อมกันนั้นก็มีการร่าเริงเบิกบานผ่อนคลายใจสงบแจ่มใสด้วยมีทานจิตใจก็ได้จริงๆเวลาวทํา ง, งานได้แบบนี้ไหมเพราะเราไม่ตั้งใจเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจมันจะวางระบบตรงนั้นได้จริงเหมือนเราทํางานทุกวันนี้แหละ ต่อไปด้านปัญญาเวลาเราทำงานเนี่ยกิจกรรมของชีวิตทั้งหลายเันก็เพิ่มพูนขึ้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในวิชาการน่ะชัดเจนแล้วก็ช่ำชองชนานาญยิ่งขึ้นทำให้เราได้คิดได้คน้นคว้าได้เรียนหาทางแก้ไขรู้วิธีจัดการรู้จักวิธีดำเนินการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องวิชาการหรือการงานเท่านั้นแต่ได้เรียนรู้เรื่องโลกเรียนรู้เรื่องชีวิต เริ่มตั้งแต่เรียนรู้เพื่อนมนุษย์รู้จักและเข้าใจคนอื่นในสังคมได้มากขึ้นมองคนที่ทำงานร่วมกันปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้นรู้จักเข็นใจเพื่อนมนุษย์รู้จักกระแสชีวิตแต่และกระแสชีวิตรู้จักความเปลี่ยนแปลงรู้จักการทำสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเ็เรียกว่าเรียนรู้โลกและชีวิตรู้เท่าทัน <S <S 1> <S 1> นะฉั้นชีวิตของเราเนี่ยไดพัฒนา แต่รู้เท่าทันได้ชาญฉลาดก็คือว่าชีวิตของเราอยู่ในการทํางานเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่กับอาชีพเราทํางานตั้งวันละ8ชั่วโมงนึ่นได้การชีวิตของเราก็อยู่กับงานเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาในความรอบรู้ความเข้าใจในการที่จะอาศัยงานการที่เราทํานั้นเป็นตัวฝึกฝนทั้งพฤติกรรมจิตใจโดยเฉพาะทางด้านปัญญาได้ความชาญฉลาดได้ความรอบรู้มากขึ้น นั่นเรามุ่งจะทํางานเพื่อให้ได้เงินพลาดโอกาสเลยโอกาสดีๆเสียไปหมดเลยพฤติกรรมก็ไม่ได้ฝึกด้านจิตใจก็ไม่ได้ฝึกโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยความรู้ความกว้างขวางน่าจะมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นก็ไม่ได้สรุปก็คือว่าอาชีพเนี่ยเป็นเครื่องมืออาชีพก็คือเครื่องมือหาเลี้ยงชีพแล้วก็ที่เป็นสัมมาก็เพราะว่ามีความหมายถูกต้องคือเป็นไปตามเหตุผลที่ว่าทําให้เกิดผลที่ต้องการต้องงานนั้นอาชีพนั้นน่ย ซึ่งแต่ละอาชีพมันก็มีวัตถุประสงค์ของมันเองนังที่ได้กล่าวว่าแพทย์เออยพยาบาลเออยก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยให้คนไข้ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพที่ดีอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาจึงเป็นอาชีพที่ อ, อาชีพที่เป็นสัมมาเนอาชีวะหรือเป็นสัมมาที่ถูกต้องจึงเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนทาลายไข่และยังแถมมันแก้ปัญหาและสร้างสารรค์ชีวิตและสังคมให้ดีด้วย นอกจากนั้นยังดีกับตนเองก็คือเปิดโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ทุกด้านไม่ว่าจะด้านพฤติกรรมด้านจิตใจและด้านปัญญาเห็นไหมไอ้ข้างนอกก็ได้ผลไอ้ข้างในก็ฝึกอาชีพนี้เป็นตัวเปิดโอกาสนั้นถ้าเรามองอย่างถูกต้องอย่างนี้เราเวลาทํางานโอ้โหพยายามทําตามหลักการตรงนี้ปุ๊บโอ้โหได้ผลเต็มที่เลยแตเนี้ยเพราะเราทํางานอย่างมีจุดหมายไม่ใช่ทํางานเดีมุ่งค่าตอบแทนคือเงินที่ผ่านมาก็ เราทำงานคนส่วนใหญ่ก็มุ่งที่เงินโดยส่วนเดียวทำให้เราขาดประโยชน์ที่พึงจะได้อย่างมากพร้อมกันนั้นก็คือว่าความทุกข์ก็จะมากกว่าความสุขยิ่งทำงานก็ยิ่งเครียดยิ่งกรุ้มแล้วก็การทำงานก็กลายเป็นการรอคายรอควารอคอยความสุขกว่าจะได้ความสุขก็ต้องรอเมื่อไหรจะได้กลับบ้า ใช่ต้องทนอยู่กับมันนั่นแหละแชั่วโมง9ชั่วโมงเวลาทํางานก็กลายเป็นเวลาแห่งความทุกขเวลาทํางานก็เป็นเวลาแห่งความเครียดความกัดกลุ้มไปโดยที่ความสุขมันขึ้นต่อเงินบ้างขึ้นต่อสิ่งสรรเสริญบ้างเมื่อไรมันก็ไม่มาถึงสักทีรอมันอยู่นั่นแนหะนี่เป็นจุดถ้ามองให้เกิดความเข้าใจก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อให้ความหมายพื้นฐานอย่างนี้แล้วเราก็มาดูแนวทางที่จะประสาน หรือองค์ประกอบต่างๆก็คือเรื่องงานเรื่องเงินก็เรื่องประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และก็เรื่องความสุขของตนเองเนี่นเป็นไปรักสณั่งนี้ทีนี้การต้องการผลตอบแทนพอต้องการผลตอบแทนนะจากเงินบ้างจากเกียรติยศชื่อเสียงบ้างจากเสียงสรรเสริญเยินยอบ้างเนี่ยนะจากลาบสการะบ้า ง, ากกา ง, า ง, างปุ๊บโอ้สุขมันไม่มา เพราะเงินมันยังไม่ได้ทันทีไอ้สุขยังไม่มาเมื่อวันยังไม่ได้เกียรติยศชื่อเสียงไอ้สุขมันแทนที่มันที่จริงการทํางานการวางท่าทีในการทํางานทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความสุขใช่ไหมเหมือนกรณีการอ่านหนังสือเป็นนักศึกษานักค้นคว้าต้องการจะรู้วิชาการต่างๆเนี่ยในขณะที่เป็นกิจกรรมของชีวิตนในขณะนั้นในการทํางานพอเกิดความการอ่านปุ๊บหลายๆคนก็ โอ้เรื่องนี้ไม่สนุกแต่มันให้ปัญญามันให้ความรู้เพราะไม่สนุกเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านการศึกษาการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันได้ไหมได้มันได้ฝึกนะทั้งพฤติกรรมตัวเองก็ได้ฝึกทางกายทางวาจาทั้งหลายด้านจิตใจเนี่ได้ชัดๆเลยใช่ไหมฮะ ได้สภาพคุณภาพจิตใจที่ดีความตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิทั้งหลายเรื่อนี้ได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจได้วิจัยได้แยกแยะโอ้เน้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็มีมุมมองมีทัศนคติทั้งหลายนะเราก็จะเห็นมุมมองเห็นทัศนคติต่างๆเรื่องนี้จิตของเราก็จะไม่คับแคบจะไม่ติบตันเปียเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มีทางออกค่อนข้างได้เยอะใช่ไหมถ้าคนบางคนไปคิดว่าเหมือนสมัยก่อนเวลาเราเป็นนักเรียนเนี่ย ที่เราเรียนในวัตถบุบังคับเรียนเนี่ยเพราะว่าเอาละอยู่บ้านเขาเพ่อแม่บังคับให้มาเรียนไม่เรียนก็ไม่ได้เด็ก ค, ครูบังคับอีกเอาอยังแถมมีกฎกติกาอะไรอีกเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดเลยแถมแถวก็คือเรียนก็เพื่อให้ได้เกรดได้เฉดเฉลี่ยบ้างได้ใบรประกาศบ้างไปไปมาๆมันก็เลยไม่สุขจากการเรียนเลยทงนี้โดยเฉพาะว่าถ้าใครพูดไม่สนุกสนานด้วยแล้วไปใหญ่เลยทีนี้แทนที่ได้ขอ้อมูลความรู้เออเนี่ย ถ้าเรามีความสุขโดยการผ่านเ <c oughs> ช่นต้องได้ใบประกาศถึงจะมีความสุขต้องได้เกียรติเฉลี่ยที่ดีถึงจะมีความสุข <c oughs> ถ้าไปทํางาน <c oughs> ก็ต้องให้ได้เงินถึงจะมีความสุขเอาเงินเป็นตัวผ่านหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องได้รับยศถาบรรดาสุขมันถึงจะมีความสุขเนี่ยช่องทางความสุขของเรามันก็แคบมากนอกจากจะแคบแล้วก็น้อยแล้วก็สั้นด้วยเพราะจะต้องรอเป็นเวลานา น, านเดือนหนึ่งมันถึงจะได้เงินสักครั้งหนึ่ง หรือแม้จะจ่ายบ่อยๆกว่านั้นก็แล้วแต่มันก็นานนานๆได้ครั้งคราวเนี่ยมันไม่ใช่ตลอดเวลาทีนี้ในเวลาระหว่างนั้นน่ะมันก็เป็นวันบางเป็นอาทิตย์บ้างเป็นสัปดาห์บ้างทุกทรมานกว่าจะได้เช่นบางทีเกตเฉลี่ยก็จะออกมาในทุกเนกว่าจะได้เงินแต่ละสัปดาห์แต่ละครึ่งเดือนแต่ละเดือนเนโอ้โหต้องรอเนี่ ย, น, ยนอกจากนั้นเงินทองนั้นก็เป็นของข้างนอกด้วย เกียรติเฉลี่ยทั้งหลายก็เป็นของข้างนอกเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นของข้างนอกด้วยมันไม่ได้เข้าไปถึงในเนื้อในตัวในชีวิตจิตใจเลยและอะไรที่เราจะได้อย่างแท้จริงมันก็ต้องเข้าไปถึงในเนื้อในตัวในชีวิตจิตใจมึนถึงจะได้ไหมถึงเราจะได้เงินมาเงินนั้นก็อยู่ข้างนอกสิ่งที่จะได้แก่เราอย่างแท้จริงจะต้องเป็นการได้ที่เข้าไปในเนื้อในตัวในชีวิตจิตใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ยเราจะทําอย่างไร เราไม่สามารถเอามาเข้าไว้ในจิตใจของเราจุดสำคัญอยู่ที่สาระที่เราจะพูดก็คือว่างานคือเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเมือนเรามาบวชเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของเรามันอยู่กับไปกับอะไร <c oughs> บางคนก็ต้องมากวาดบ้างมาเช็ดมาถูบ้างมานั่งอ่านเรื่องนั้นอ่านเรื่องนี้ทั้งหลายเวลาเดินไปเดินมาเออเครียดกิน <c oughs> ใช่เออเมื่อไหร่มันจะถึง กำหนดออกรรษาสถกทีโอ้โหแต่เนี้ยเดี๋ยบางคนเนี่ยกาหนดนั่งนับวันเลยมันไม่สุกเนี่ยนเห็นหน้าพระภิกษุสามนเณรแต่ละองค์นี่ยบาองค์ถึงกังนั่งนับปฏิทินเลยนะครับมันสุขไม่ได้รอกว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวัน <c oughs> ไปนั่งสวดมนต์มันก็ไม่สุขเห็นไหมไปนั่งกรรมฐานมันก็ฟุ้งซ่านเอาละสิแต่เนี้ยก็หาเวลาคุยกันไป นะคุยคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาไปทำโน้นทานี้สลับกันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความไม่เข้าใจว่าจุดสําคัญสาระที่จะต้องเข้าใจคือเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราอยู่กับอะไรถ้าเราอยู่กับการทำงานหรือกิจกรรมใดๆก็แสดงว่าเวลาส่วนใหญ่ของเราในชีวิตของเรานั้นน่ะเราไม่มีความสุขแสดงว่าเป็นการขาดแคลนหรือสูญเสีย สิ่งสำคัญในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการจะมีชีวิตอย่างมีความสุขคือต้องการให้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ดำเนินไปตลอดเวลาที่มีความสุขเราก็จะต้องทำให้งานเนี่ยเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขเลยคือต้องทำงานอย่างมีความสุขให้ได้ถ้ามิฉะนั้นชีวิตส่วนใหญ่มันจะเป็นชีวิตแห่งความทุกข์ทันทีเลยมันจะมีเป็นชีวิตแห่งความทุกข์ความเครียดความกัดกลุ้ม เป็นนั้นว่าจุดสําคัญเราต้องยอมรับความจริงว่างานเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรียบร้อยไปแล้วคนในยุคนี้ทั้งพระเองก็เหมือนกันยิ่งมาบวชอยู่แล้วถ้าไม่มีงานทําบางคนโอ้โหบางคนก็ไปเพลินๆอยู่กับงานเนี่ยเนเราต้องให้งานเป็นเป็นความสุขให้ได้แต่จะให้งานเป็นความสุขได้อย่างไรเนี่ยออต้องมาพิจารณาอย่างนี้ก่อนว่าแทรกนิดหนึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้ น, นถ้าประโยชน์ที่เราจะต้องการเนี่ย เป็นประโยชน์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงานเช่นสมมุติเป็นหมอการที่คนไข้าหายป่วยมีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นจุดหมายและเป็นประโยชน์โดยตรงของการทำงานของแพทย์และพยาบาลพอเราเริ่มทำงานช่วยคนไข้ตลอดจนเห็นคนไข้าหายป่วยและมีสุขภาพดีขึ้นปุ๊บหมอก็ดีพยาบาลก็ดี ที่เขาตั้งจุดหมายไว้ที่ว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไข้นี่ให้ได้พื้นฟูสุขภาพชีวิตของเขากลับมาให้ได้พื้นฟื้นฟูสุขภาวะให้มีเขามีความความสุขทางกายกลับคืนมาให้ได้ถ้าเก่งจริงไว้กว่านั้นก็คือให้เขาได้สุขภาวะทางจิตใจด้วย <laughs> ได้ภาวะความสุขอันนี้ถ้าเห็นเขามีความสุขคุณภาพชีวิตเขาดีปุ๊บเนี่ย เออเป็นการได้รับผลที่ตรงตามเหตุเลยใช่ไหมเออหนึ่งการทํางานรักษาคนไข้และเห็นคนไข้าหายคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโอ้มันสุขขึ้นมาทันทีไอ้เรื่องค่าตอบแทนเห็นไหมยังไม่มาเลยนะแต่ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากการที่เราได้ช่วยเหลือได้เจือจันได้เผื่อเพ่ถ้าเราต้องการผลที่ตรงตามเหตุหรือพอเห็นเหตุเริ่มแสดงผลความสุขก็จะเกิดขึ้นมาทันที เหมือนคนปลูกต้นไม้รดน้ำเห็นต้นไม้มันเิ่นสดชื่นเริ่มเจริญองอกงามโอ้สุขขึ้นมาทันทีเอาละค ว, วามนมี่มมันจะเห็นรักตัวเนี้ยไอความสุขมันเกิดจากการได้สนองตามต้องการเนี่ยถ้าเราต้องการวัตถุบริโภคหรือสิ่งเสพเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาเราก็มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความต้องการอย่างอื่นเช่นเป็นพ่อเป็นแม่ต้องการให้ลูกมีความสุข เป็นอาจารย์ต้องการให้ศิษย์มีความสุขถ้าเราต้องการให้ลูกหรือให้ลูกศิษย์มีความสุขเราก็จะเราก็จะมีความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุขเห็นลูกศิษย์มีความสุขเพราะการมีความสุขของลูกนั้นก็คือการได้สนองความต้องการของเราหรือศิษย์มีความสุขก็คือสนองความต้องการของเราเมื่อเราต้องการให้ใครคนไหนก็ได้ก็ตามมีความสุขแล้วเราก็ทาให้เขามีความสุขได้เราก็สนอง มันก็สนองความต้องการของเราแล้วเราก็มีความสุขด้วยใช่ไหมเออเนี่ยทีนี้ไอความต้องการเหล่านี้มันต้องการสร้างขึ้นมันต้องสร้างขึ้นถ้าเราไม่สร้างขึ้นมันมีได้ไหมถ้าไม่ปรุงแต่งขึ้นมันมีไม่ได้การสร้างอย่างง่ายๆก็คือความต้องการผลของตัวงานตามเหตุตามผลของมันก็คือตามจุดหมายที่แท้จริงของมันคือเมื่อทางานอะไรก็ต้อง ต้องการผลของงานนั้นเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเราปลูกต้นไม้การที่เราสร้างเหตุคือการลดน้ำพุดินและปลูกต้นไม้อันนั้นเป็นกดตามกดธรรมชาติก็คือว่าเลี้ยงไม่ได้ก็คือว่าไอ้ความเจริญความงอกงามของต้นไม้มันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นกฎความจริงธรรมชาตินะถ้าเขาต้องการความงอกงามของต้นไม้แล้ว เขามาทําสวนเขามีความสุขเขาก็มีความสุขเมื่อเห็นต้นไม้เจริญเมื่อเขาเห็นต้นไม้เจริญงอกงามปุ๊บความต้องการของเขาก็ได้รับความสนองเขาก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีเนี่ยแม้แต่ระหว่างนั้นขณะที่กําลังทําอยู่นั้นเมื่องานที่ตัว เ, เองทํางานก้าวหน้าเขาก็จะมองเห็นความสําเร็จของงานก็คือผลตามต้องการนั้นๆใกล้เข้ามาก็ยิ่งมีความหวงังก็ยิ่งอิ่มใจยิ่งมีความสุขก็เกิดความป ร, ปราดเพิ่มใจอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกว่ากฎความจริงธรรมชาติมันเกิดขึ้นมันเป็นโดยธรรมชาติเข้ามาเมื่อเราไปแก้เหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่เช่นการฝึกในการอ่านใหม่ๆอ่านไม่คล่องพอฝึกไปฝึกมาอ่านไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเกิดความคล่องแคล่วขึ้นมาไฮ้ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วปรารถนาว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เกิดความคล่องแคล่วให้เป็นวักเป็นตอนออกอักขระให้ชัดเจน ในขนาที่เราไปอ่านอู้ดใหม่ๆ ม, มันไม่คล่องแคล่วเลยอ่านไปติดกึกกักๆักจะไหมแต่พออ่านไปอ่านมาเอาเลยด้วยความหมั่นเพียรด้วยความขยันด้วยความอดทนนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติไหมนะครับนะครับไอ้ธรรมชาติมันก็ตรงตามเหตุปัจจัยที่เราทําในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีความต้องการอันนี้ <c oughs> คือไม่ไม่ต้องการความเจริญงอกางามของต้นไม้เรียกว่าไม่ต้องการผลตามธรรมชาติที่เกิดตามเหตุแต่เราต้องการผลตามสุข สมมตคือเราสร้างเหตุคือการทำสวนก็ดีปลูกต้นไม้ก็ดีแต่เราต้องการผลตามเงื่อนไขเช่นว่าเราจะได้เงิน 7,000 บาทเมื่อเราทำสวนเดือนหนึ่งค่าจ้างเนี่ยเราจะไม่มีความสุขในการทำสวนหรื อ, รอในขณะที่เราไปสอนหนังสือ อธิบายอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเลยมันไม่มีความสุขมันจะจำใจฝืนใจว่าฝืนใจขึ้นมามันก็ทุกข์ทรมานไม่อยากจะพูดไม่อยากจะสอนไม่อยากจะแนะนำแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำงานมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยมันเรื่องเดียวกันเนี่ย ถ้าเรามองให้เห็นนี่เกิดความเข้าใจพันนี้คือการที่เราได้แปลกแยกจากความจริงธรรมชาติเรียบร้อยนี่คือการแปลกแยกเมื่อเราแปลกแยกจากความจริงธรรมชาติเราก็จะไม่มีความสุขเหมือนถ้าหากว่าอาจารย์ญญมาบรรยายเนี่ยบรรยายให้ความรู้ท่านนหนบรรยายบรรยายไปแต่ว่าโทรสองเพื่อมันอย่างอื่นเออต้องการเสียงชมบ้างต้องการค่าตอบแทนบ้าง ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงว่ามีความหวังแผแฝงจากที่ไม่ใช่เป็นไปตามกฎความยิงเดีไม่ใช่นี่จะทุกข์มากจะทําด้วยความไม่มีความสุขในการทําแต่ถ้าทําด้วยความมีจุดหมายว่าเอาละเราจะให้กระแสะชีวิตของท่านบนนี้ยคือท่านได้ได้เกิดทักษะที่เกิดความรู้ได้เกิดความเข้าใจกระบวนความเป็นไปของชีวิตสัทีและจะได้เห็นในการว่าพฤติกรรมจะได้ฝึกมากขึ้นด้านจิตใจก็ได้มีการฝึกอย่างแข็งแรงมั่นคงมากขึ้น ด้านปัญญาทั้งหลายก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจะได้วิจัยแยกแยะเหตุวิแยกแยะผลได้มากขึ้นเออพอเริ่มเห็นพัฒนาการของสิทธิ์หรือของพระพระุทธิสมณเณรหรือของญาติโยมที่มานั่งฟังเออมีการพัฒนาทั้ง3ด้านเลยนีด้านพฤติกรรมจิตใจโดยเฉพาะด้านปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจก็ไปเกือ้อกูลพฤติกรรมเกือ้อกูลจิตใจเกื้อกูลปัญญาโอ้โหพอเห็นอย่างเงี้ยมีความสุขไหมคนที่ไปบอกให้ข้อมูลมีความสุข ได้ในขณะเดียวกันตนเองก็ได้ฝึกทั้งพฤติกรรมตนเองมากขึ้นสภาพจิตใจและปัญญาของผู้พูดต่างป่ายต่างก็ฝึกนี่คือการปฏิบัติธรรมไหมในการปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ยนี่เขาเรียกว่าถูกต้องตรงตามธรรมชาติงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขเนี่ยถ้าเราทําแค่กฏสมมุติเพื่อกติกาเช่นมาทำเนี่ยเพราะมัน ความสุขมันอยู่ที่เงินเดือนเมื่อทำเนี่ยความสุขก็คือค่าตอบแทนโองงานมันไม่ได้ผลนะทำไปมันก็ทำแบบประเภทที่ไม่ได้ไม่ได้มีความใส่ใจในการที่จะทำอย่างติดต่อแล้วต่อเ น, นื่องให้คนมันเป็นทุกข์โดยทีนเน่เครียดก้มไหมเนี่ยลักษณะเนี้ยมนุษย์มักจะหลงในเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎตองกฎอึ่งที่บอกว่ากฎธรรมชาติกับ ก, กฎสมมติเนี่ยกฎธรรมชาติก็คือว่า ได้แก่ความเป็นจริงตามกฎตามเหตุผลของธรรมชาติว่าการทำอะไรอย่างเช่นหมอเนี่ยที่ย ร, รักษาพยาบาลใค้มีเป็นเหตุคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้เป็นผลอันนี้ก็าเร ก, กฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเองตามธรรมชาตินั้นนะการฝึกการอ่านเนี่ยอันนี้เป็นเหตุแล้วนะเขาก็เริ่มชำนิชนานาญทักษะความรู้ความเข้าใจทั้งหลาย เกิดขึ้นอันนี้เป็นนี่เขาเลยกฎธรรมชาติเหตุวางเหตุยังไงผลก็ตรงกันกับเหตุนั้นนอันนี้กฎของมนุษย์หรือกฎสมมุติที่ตกลงกันบอกว่าตามเงื่อนไขว่าเออไปเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ไปสอนหนังสือได้เดือนละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นกฎสมมุติสมมุติเนี่ยก็แปลว่ามติร่วมกันมาจากคาว่าสังบวกมติสังก็แปลว่าร่วมกันมติก็แปลาการยอมรับหรือข้อตกลง ก็คือข้อตกลงร่วมกันก็หมายว่ามนุษย์เนี่ยกฎมนุษย์จะตั้งอยู่บนกฎสมมติตั้งอยู่บนสมมติก็คือตั้งอยู่บนการตกลงยอมรับร่วมกันถ้าไม่มีสมมติกฎมนุษย์มันก็หายไปใช่เหมือนกติกาในการที่จะให้แพทย์ทำงานเดือนหนึ่งหมอทำงานเดือนหนึ่งพยาบาลทำงานเดือนหนึ่งออได้เดือนละเท่าไหร่อันนี้เป็นกติกาเป็นข้อตกลงเขาเรียกว่าเป็นเงินเดือนนะ แต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหมอรักษาคนไข้เนี่ยแล้วมันเขตคือการรักษาคนไข้เนี่ยผลคือเงินเนี่ย ม, ม, มันไม่มันไม่มีอันนั้นมันเป็นมาตั้งกันเองโดยธรรมชาติมันไม่มีเป็นเรื่องที่มนุษย์ตกลงกําหนดกันขึ้นนี่มนุษย์ก็แยกกฎสองกฎนี้ไม่ออกระหว่างกฎสมมุติกับกฎความจริงนะเพราะแยกสองกฎนี้ไม่ออกแล้วมนุษย์ก็มึนกันแล้วงงกันแล้วใช่ไหม มนุษย์มีอารยาธรรมมีความสามารถในการสมมุติการสมมุติได้นี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์นะแต่ในการสมมุตินั้นเขามีจุดหมายเพื่อให้อะไรให้ผลตามกฎธรรมชาติการที่เขาสมมุตินะให้เกิดขึ้นและได้ผลดีขึ้นนั้นการงานทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอะไรเนี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นแพทย์เอยเป็นอาจารย์เอยสอนหนังสือเป็นพยาบาลก็ดีหรือทํางานทุกอย่างในโลกใบนี้เนีย ตั้งกติกากฎสมมุติขึ้นมาแต่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้กฎมมังธรรมชาติมันเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าเราแยกไม่ออกว่ากฎสมมุติมันเป็นกมมติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าแยกไม่ออกก็ยุ่งนะถ้าหากว่าหมอหรือพยาบาลทั้งหลายเหล่านี้เขาทำงานในการดูแลช่วยเหลือคนไข้ผลตามกฎธรรมชาติ เขาเข้าใจว่าเนี่ยที่เขามาเป็นหมอก็ดีเป็นพยาบาลก็ดีหรือว่าเป็นอาจารย์ในการที่สอนก็ดีเขาต้องการกดความยิงธรรมชาติก็คือการต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยทั้งหลายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนะอันนี้มันกดเป็นไปตามความยิงกดธรรมชาติเขาก็จะไม่แปลกแยกจากธรรมชาติเขาก็จะทํางานในเรื่องนั้นน่ยโดยหวังความเจริญที่ถูกต้อง ไม่ได้สอนหนังสือเนี่ยนะวัตถุประสค์ก็คือต้องการให้เกิดผู้ที่ได้เรียนนั้นเกิดทักษะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจรักษาคนไข้ก็ต้องการให้คนไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกไม่แปลกแยกจากธรรมชาติและในขณะที่เขาทํานั้นถ้าผลตามธรรมชาติมันจเจริญเติบโตขึ้นมาตามเหตุที่เขาทาหรือมันกําลังงอกงามตามเหตุที่เขาทาปุ๊บพอผลมันเกิดขึ้นมาได้รับผลดีเขาก็มีความสุขใช่ไหม แล้วก็เกิดความเอิบอิ่มใจเกิดความสุขในการทํางานนั้นๆพร้อมกันนั้นไอ้กฎสมมติคือค่าตอบแทนทั้งหลายก็เลยกลายเป็นผลพลิตเงินเดือนจากการสอนหนังสือสอนตหลับตาําราเงินเดือนจากการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเงินเดือนจากการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้ไอ้ น, นี้เขาก็ได้ด้วยช่วยสนับสนุนให้เขาตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยในการทําหน้าที่ของเขาให้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย ยังชีพเขาก็ทำงานได้เต็มที่โดยมีความสุขอย่างเต็มที่เรียกว่างานได้ผลชัดเลย้ยคนก็มีความสุขแต่นี่มันเป็นปัญหาก็คือมนุษย์เนี่ยเกิดความไปแปลกแยกจา ก, กธรรมชาติขึ้นมาพอเกิดแปลกแยกปุ๊บก็มาติดอยู่แค่สมมุติก็เอาแค่ว่าเอ้ฉันรักษาพยาบาลคนป่วยฉันต้องได้เงินฉันดูแลคนป่วยฉันต้องได้เงิน ฉันสอนหนังสือฉันต้องได้เงินอะไรอย่างเงี้ยฉันทําการค้าฉันต้องได้เงินอะไรก็ไม่รู้แต่เนี่ยนีไปไปมามันก็เลยไปติดอยู่ที่กฎสมมุติเนี่ยเมื่อไม่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติก็รอแต่เงินเมื่อไรน้อจะมาใจมันก็ไม่อยู่กับงานที่ทำเลยการทํางานมันก็กลายเป็นการที่จะต้องทําและฝืนทนจําใจทําะ แต่ละขณะที่ผ่านไปมันเป็นเวลาแห่งการรอคอยแล้วมันก็ทําให้เราต้องรอนานเข้านั้นในระหว่างนั้นเนี่ยที่ผ่านไปมันกลายเป็นเวลาแห่งการรอคอยแล้วในส่วนจริงมันก็ทุกข์มันก็เครียดมันก็กุ้มพอทุกข์มากขึ้นมามันก็ไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรแต่เนี้ยมันทุกข์ทรมานก็และในขณะเดียวกันชีวิตก็เป็นทุกข์ด้วยนั่นมันกระทบต่อสังคมเลยนะก็เสียผลประโยชน์ด้วย งานก็ไม่ได้ผลคนก็เป็นทุกข์เลยแต่เนี้ยนะนี่ความบกพร่องในสังคมมนุษย์เป็นไ ป, นปนในลักษณะอย่างนี้แหละเริ่มมองเห็นนี่ยังทีนี้จากการที่มนุษย์เนี่ยพอลเจริญด้วยอารยาธรรมมากขึ้นในที่สุนจริงมนุษย์ก็ไปหลงติดในสมมุติที่ตนเองสร้างขึ้นมาแล้วก็แลกแยกจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเด็จึงทำให้ต้อง ใช้ตัวเองสูญเสียแล้วก็สังคมก็เดือดร้อนไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าคนเราในยุคที่มันเจริญขึ้นมาเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารโหยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมากแล้วจะทำยังไงมนุษย์ปรับเปลี่ยนไม่ทันข้อมูลโดยเฉพาะความเข้าใจของมนุษย์ในยุคนี้มันกลับกลายเป็นวิ่งลนกระเสิกระสน เราจะเห็นว่าตามท้องถนนรถวิ่งทั้งวันทั้งคืนแล้วลองไปนั่งนึกโดยที่คนที่เขาขับรถวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะคิดว่าเขาจะมีความสุขไหมวันก่อนไปบินาบาบเจอบอดเมื่อวานก็เจอขับรถมาเขาลงมาจากรถเขาเอาไอ้ซุปไก่มาถวายพระพระไปบินดาบาดูหน้าเขากทกมัมา บอกเขาเครียดตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาไม่มีเวลาเลยบาเง้นเนี่ยเห็นพระเนี่ยเขาขับรถพวงคันยาวเนี่ยเราเราสนธนาเขาได้แป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาเราก็ต้องรีบไปวิทยาลแต่ดูแลเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องดูแลพ่อแล้วก็เขาเลิกกับแฟนแฟนก็ไม่เข้าใจเขาต้องหาเงินเขาไม่มีเวลาเลยเ็าต้องส่งของตามเซเว่นต่างๆ่เนี่ย เขาต้องขับรถบรรทุกรถพว่วงแล้วก็ต้องไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ต้องหาเงินในการที่จะดูแลแม่ในขณะที่ขับรถไปจิตใจเขาก็เลื่อนลอยเมื่อไรนะ้องเงินจะมาพ่อก็จะต้องหาเงินไปดูแลพ่อโดยดูแลยายด้วยอย่างงี้เป็นต้นนี่ชีวิตเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเขาเป็นอย่างนีน้แล้วก็นึกในใจว่าไม่รู้มันจะโค่นเมื่อไหร่แปลว่ามันจะวุบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สติรัประทานยะว่างันเดิน เขาบอกว่าเนี่ยเออเขาทํางานอาทิตย์หนึ่งเขาได้หยุดวันก็บอกว่าท่านอาจารย์อยู่วัดช่วงไหนอยากจะไปคุยด้วยเ อ, อ้าเนี่ยสังคมเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเองติดกฎสมมุติเนี่ยเขาไม่เข้าใจกฎความยิงธรรมชาติเขาไม่เข้าใจกฎสองกฎเนี่ยกฎมนุษย์หรือกฎสมมุติกับกฎความจริงเนี่ยท่านในาพาวิธรรมก็จะเรียกว่าสมมุติสัจจา ก, กับปรมาทสัจจ์จริงโดยสมมุติ กับจริงโดยธรรมชาติจริงโดยสมมุติเนี่ยมันเป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นที่มนุษยนะ์ตั้งขึ้นมาระเบียบกติกาทั้งหลายข้อตกลงอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เช่นว่าทํางานเนี่ยคุณทํางานในเรื่องการขับรถกําหนดกติกาไปว่าเอาเดือนละเท่าไหร่เอาเฉยๆอันนี้เป็นกฎสมมุติแล้กฎความจริงคืออะไรอ่ะกฎความจริงคือการทํางาน การทํางานก็คือการขับรถในการที่ไปส่งของตามเซเว่นต่างๆหรือตามศูนย์การค้าต่างๆเอาละสิไอ้ของที่ไปส่งมาเนี่ยเราจะทํำยังไงเนี่ยเออเราจะทํำยังไงให้มีความสุขใช่ไหมล่ะเออก็ต้องมาพิจารณาหลายอย่างเลยของที่ไปส่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอาหารบ้างเป็นของใช้บ้างเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเหล่านี้บ้างเออทำมาพิจารณาอย่างนี้เอาละมันเป็นประโยชน์นะเนี่ยเพื่อนมนุษย์เขาจะได้กินใช่ไหม เออเนี่ยของกินของใช้ทั้งหลายเหล่านี้ที่ไปวางตามจุดต่างๆเนี่ยทุกวันนี้แหมกระแสะโลกกระแสะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ต้องเดินทางอยู่บนรถแล้วก็ต้องแวะตามสถานที่ต่างๆหิวอาหารขึ้นมาหิว เ, ออเครื่องอุปภโภคบริโภคขึ้นมาก็ต้องแวะเออเขาได้กินได้ดื่มได้ใช้ขึ้นมาเออธรรมิจารณาอย่างนี้มันกดความจริงนะเนี่ยที่ทำให้มนุษย์ได้อิ่มน้ำสำราญทั้งหลายเหล่านี้ได้เครื่องใช้ไม้สอยไม่ขาดแคลนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งหลายเหล่านี้ เออถ้าทําอย่างนี้แล้วก็มนักศึการในการทำํำและในขณะที่เราขับรถแล้วก็โอ้โหเนี่ยแล้วก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่จะข้ามถนนบ้างหรือรถคันอื่นบ้างโอ้จะพิจารณาไปงีนเน้เป็นตั้งทานกสน็สนศีนก็สนเออถ้าพิจารณากฎความจริงอย่างนี้ได้มันก็ชัดเลยใช่ไหมแต่ยังมีสักกี่คนที่จะมองเห็นกฎอย่างนเนี้ยเนี้ยการที่เราจะได้ประโยชน์จากอายะธรรม ฐานเดิมเราต้องไม่สูญเสียเนี่ยคือไม่แปลกแยกจากธรรมชาติที่เป็นของแท้ของจริงด้วยพร้อมกันนั้นก็คือว่าประโยชน์ทางด้านอารยาธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็ได้ด้วยถ้าอย่างนี้มันก็ได้ทั้งสองชั้นแต่มันไม่อย่างนั้นน่ยพอได้ประโยชน์จากอารยาธรรมปรุงแต่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคือกฎสมมุติเนี่ยมันก็ลืลืมถามฐานเดิมคือกฎธรรมชาติแล้วมันก็แปลกแยกจากธรรมชาติ พอมนุษย์สร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมาปุ๊บแต่เราสูญเสียฐานเดิมเนี่ยหลุดหายไปปุ๊บอารยธรรมแห่งการสร้างขึ้นมามันก็กลับกลายเป็นพิษภัยแล้วก็ก่อให้เกิดหรือกลายเป็นการสูญเสียไปทั้งหมดเลยทีนี้ฐานเดิมนั้นเป็นเนื้อเป็นตัวของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างที่บอกไปแล้วว่าเหมือนเป็นหมอเ ป, เป็นพยาบาลแต่กดความจริงก็คือเราได้ สร้างให้เหตุปัจจัยในการทําให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่กดความยิงธรรมชาติแต่พอมนุษย์มาสร้างอายะธรรมขึ้นมาในการตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าเอาละคุณจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในการแสวงหาปัจจัยสี่คุณทํางานตรงเนี้<อ>ให้เหตุปัจจัยกฏธรรมชาตใิให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เราก็จะดูแลทางด้านเอ ให้ปัจจัยสี่ขึ้คุณคุณก็จะได้ไม่เดือดร้อนคุณจะได้มีเวลาทุ่มเทในเรื่องนี้เต็มที่โอ้ถ้ามันเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บมันไม่เสียทั้งสองฐานทั้งอาริยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นและทั้งกฎความจริงธรรมชาติทั้งกดสมมุติก็ได้ก็เลยได้ผลทั้ง2 ส, ส่วนแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไปหลงไปติดในเรื่องสมมุติของอรยธรรมโดยไม่รู้เท่าทันความจริงของมัน ซึ่งก็ทําให้ก่อปัญหาขึ้นมาเกินตนเองเนื่องจากประสานความจริงกับธรรมชาติและกดสมมติของอริยธรรมเนี่ยทั้งส อ, งอย่างเนี่ยมันเสียหมดเลยมไม่ได้เสียทั้งสองด้านทั้งด้านสมมุติของอริยธรรมก็ใช้ไม่เป็นทั้งด้านธรรมชาติก็แปลกแยกไปด้วยเนี่ยตรงนี้ก็คือมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็มีความเจริญมากก็คือในยุคของระบบผลประโยชน์ ที่เน้นการแข่งขันกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดความแปลกแยกจากธรรมชาติทั้ง3ด้านเนี่ยสด้านยังไงนะคือความสุขของมนุษย์มันมีพื้นฐานหลักๆมันเนี่ยมีอยู่สามอย่างคือมนุษย์ที่ต้องสูญเสียนะพื้นฐานในสามสาด้านแล้วมันจะลําบากลําบากคือว่ามนุษย์ในยุคนี้กําลังสูญเสียความสุขที่เป็นพื้นฐานที่เห็นชัดๆก็คือว่าระบบชีวิตที่แปลกแยกจากธรรมชาติให้สังเกตดูนะ ด้านที่หนึ่งคือการแตกแยกเกลี่ธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมคือชีวิตเนี่ยเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เรียกธรรมชาติรู ป, ปรขันเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพูดถึงก็ทุกไอ้พูดถึงขันห้าในกระแสชีวิตแต่าหากว่าสื่อออกมาข้างนอกหรือว่าตัวสื่อข้างนอกหลายก็ตาสื่อก็สีเห็นไหมเป็นแดนรับรู้สีไงหูก็เป็นแดนรับรูบ้เหมนการเสียง จมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้สัมผัสใจก็รับรู้ทำอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดกับใจเนี่ยกระแสตาของจมูกเลิ้นกายใจในธรมนธรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะเนี่ยเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาตินั้นเนื้อตัวร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายเลยเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดมาตามธรรมชาติชีวิตของเราเป็นไปตามธรรมชาติก็คือต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บ แล้วก็ตายไปไหมตามธรรมชาตินั้นและธรรมชาติที่เห็นในชีวิก็คือมนุษย์ก็ต้องหายใจหายใจเข้าหายใจออกต้องดื่มต้องกินรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกกลุ้มรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ใช่ไม่ใช่แล้วกระแสะชีวิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับสืบต่ออย่างเงี้ยนี่ก็คือธรรมชาตินี่แหละชีวิตมนุษย์ก็คือธรรมชาติแล้วขาดธรรมชาติได้ที่ไหนล่ะเมื่อเราเนี่ย เรามีความสุขเมื่อออกไปอยู่ในที่โปร่งๆร่งๆสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดสดชื่นอยู่ไหมสายลมแสงแดดต้นไม้ใ บ, บยึดหญ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยความร้อนทั้งหลายเรานี้เป็นเรื่ความร้อนความเย็นทั้งหลายฝนตกชุ่มฉ่าเมื่อฟ้ามืดมัวฝนตกเฉรชะเยื่อเยื่อมาฟ้าสว่างเจิดจ้าราเริงแจ่มใสอะไรเนี่ยเออเมื่ออยู่ในที่พักที่ทํางาน ก็จำกัดนา น, านๆพอไปไปในที่โลงๆปุ๊บโอ้โหเนี่ยเห็นทิวทัศน์เห็นอะไรต่างๆก็สุขสบายเงี้ย ล, ล่มรื่นเงี้ยเห็นดอกไม้หลากสีก็มีความสุขดังนั้นชีวิตของมนุษย์น่ยที่เป็นอยู่ตลอดเวรามันอยู่ในระบบสัมพันธ์กับธรรมชาติและต้องการความสุขในระบบสัมผัสกับ ธ, บธรรมชาติด้วยจริงๆมันเป็นแบบนี้เนี่ยธรรมชาติเป็นแหล่งทุนพื้นพื้นฐานแห่งความสุขของมนุษย์แหล่งแรกที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ตั้งแต่แรกกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละจนถึงกระทั่งตายนี่แหละทีนี้พอมนุษย์เนี่ยเจริญขึ้นมาเราก็สร้างสารรค์อาริยธรรมและในส่วนจริงก็เริ่มสร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมาโลกของมนุษย์เนี่ยเป็นโลกแห่งการปรุงแต่งเรามีอาคารบ้านเรือนเรามีถนนหนทางเรามีเครื่องใช้เรามีเทคโนโลยีสารพัดจนกระทั่งโลกที่มนุษย์ปรุงแต่งด้วยเทคโนโลยีมาซ้อนอยู่บนโลกของ ธรรมชาติเรียบร้อยไปแล้วบางทีมันก็บงังเราให้เหินห่างออกไปจนกระทั่งมองไม่เห็นโลกของธรรมชาติด้วยแล้วก็เข้าไม่ถึงนะเข้าๆนะแล้วก็เข้าไม่ถึงโลกของธรรมชาติเลยดังจะเห็นได้ว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนอยู่ในโลกไปวันๆโดยไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเลยชีวิตของเขาก็อยู่กับการปรุงแต่งอยู่กับเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ย ชีวิตยอยู่อย่างนั้นเลยวันๆไม่ไ ด, ด้ได้สัมผัสกับความเป็นจริงธรรมชาติเลยอยู่ในโลกปรุงแต่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี่นอกจากจะแปลกแยกจากธรรมชาติแล้วธรรมชาติเองก็เหลือน้อยด้วยเดี๋ยวนี้เพราะมนุษย์เนี่ยสร้างทับซ้อนขึ้นมานะนเข้าในเข้าธรรมชาติก็เหลือน้อยลอยหลอลงไปลอยธรรมชาติก็จึงมีให้เราได้สัมผัสน้อยลงน้อยลงยิ่งกว่านั้นก็คือไอ้ธรรมชาติที่มีให้สัมผัส ที่น้อยแล้วเนี่ยยังเป็นธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเขาอีกเต็มไปด้วยมวลภาวะไม่ว่าเย็นภาวะโลกร้อนเอ่ยเลือนกระจกเต็มไปหมดแล้วแต่เนี้ยสูญเสียแทนที่จะอยู่ในสภาพที่ดีเราจะได้สดชื่นสบายใจได้อากาศที่สะอาดบริสุทธิ์สดใสหายใจโปร่งโล่งก็กลายเป็นธรรมชาติที่อึดอัดก่อโรค ก, ก่อภัยโอ้โหเนี่ยแค่นั้นไม่พอนะขณะที่ชีวิตของมนุษย์นั้นน่ย ในที่สุดก็ต้องการดอกไม้สายลมแสงแดดเราก็ต้องมีความสุขประเภทนี้บ้างจะขาดสิ้นเชิงไม่ได้แต่มนุษย์ยุคปัจจุบันบางทีทั้งๆ ท, ท, ที่ไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแต่จิตใจเราร้อนเรียบร้อยมันสุขไม่ได้แล้วมันไม่เคยไม่รู้จะเป็นยังไงลืมฐานความสุขเดิมตนเองเรียบร้อยไปแล้วจิตใจเราร้อนนึกแต่เรื่องห่วงกังวลวั่นใจทําให้เครียดพอไปอยู่กับธรรมชาติปุ๊บ กระแสลมแสงแดดคิดถึงงานถ้าเป็นชาวโลกก็คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงงานถ้าเป็นพระออกจากวัดก็คิดถึงวัด <c ười> คิดถึงวัดโอ้ไปไหนแล้วห่วงเลยอยากจะกลับอยู่นั่นแล้วเพราระบบแก่งขันบอกเ อ, อ่นบอกเงินเดือกัวว่าเอ้ยเราจะไม่ทันคนอื่นเขา พอ ม, มาบวชปุป๊บนี่โอ้โหโลกมันไปเราไม่ทันเขาแล้วเนี่ยจะทไงใช่ไหมคิดไหมล่ะเนี่ยเอ๊ะทำไงเราจะตามทันเขาเนี่ยเนี่ยเขาคงจะเกินหน้าเราไปหรือเปล่าทาั้งทั้งที่ตัวเองยังอยู่ในท่ากลางารธรรมชาติแต่ชีวิตจิตใจไม่สัมผัสถึงธรรมชาติไม่ทราบซึมไม่ระมียดระไม่ละเอียดอ่อนไม่สามารถโยงธรรมชาติไม่สามารถเอาความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติได้เพราะถึงแม้ตัวจะอยู่แต่ใจมันไม่อยู่เหมือน ตัวอยู่วัดเนี่ยใจไปอยู่บ้านตัวไปอยู่วัดใจไปอยู่กับอะไรรู้งานการบ้างอยู่กับผู้คนบ้างบางคนมีภรรยามีลูกมีเมียนู้ดไปอยู่กับกับเมียภรรยาไปทั่วมัวห่างนี้เป็นเป็นความแปลกแยกสถานแรกที่ทําให้มนุษย์เนีสูญเสียสูญเสียความสุขขั้นพื้นฐานด้านหนึ่งไปเมื่อขาดความสุขด้านนี้ไปแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสั่นครอนมากพร้อมกับเครียดทุกข์แล้วก็การสูญเสียสุขภาพจิตต่างๆก็พลั่งพรูตามมาใช่ไหมใช่ อาจะว่าไงสูญเสียหรื อ, อยังฐานแรกนี่สูญเสียหรื อ, อยังเราเป็นไหมเรียบร้อยหรื อ, อยังอันนี้พูดปัญหาให้ฟังจะได้แก้ไขไเราจะทำยังไงต่อ อันนี้ยังไม่พูดให้ว่าจะทำยังไงก่อนเนะยชี้ปัญหาก่อนอปรรการที่สอง เ, อเดี๋ยวประการแรกเนี่ยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมหรือว่าเสด็แส้แย้งพูดขึ้นมาจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมในยุคปัจจุบันเป็นงี้ไหมและในอนาคตจะยิ่งแตแกแยกเรื่อยมากขึ้นไหมโอ้ธรรมชาติ ภายนอกจะถูกทำลายมากขึ้นไหมอากาศที่บริสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้หรืออากาศที่ดีๆทั้งหลายจะเหลือ น, น้อยลงมไหมเห็นมนุษย์ก็เริ่มร่นระงงกันไม่ใช่หรืภาวะโลกร้อนภาวะเลือนกระจกกลังร่นระงงกันอภิมหาอำนาจร ะ, ระดับอเมริกาก็เริ่มเป็นเจ้าโผในการที่จะร่นระงงใช่ไหมแต่พอไปดูจริงๆแล้วประเทศที่ทําลายมลภาวะมากที่สุดก็ <c oughs> กลุ่มประเมหาอำนาจทั้งหลายใช่ไหม อนี่เอาแหละตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนี่มองเขาเรียกว่าคิดกว้างมองไกลฝ่ายสูงอย่าคิดอย่าคิดแคบมองใกล้ฝ่ายต่ำจะได้มองเห็นภาพกว้างๆขึ้นและจะได้เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นให้มาทําหน้าที่ให้มาทํางานมันจะได้มองเห็นทั้งระบบของสังคมมองเห็นทั้งโลกนี่นะว่าสภาพสังคมมันกําลังเป็นอย่างนี้มนุษย์กําลังเป็นไปอย่างนี้และเราเองก็เป็น จุดเล็กๆในสังคมนั้นนะ่ะเรากำลังโดนผลกับท็อปอย่างนั้นด้วยใช่เอออย่างเงี้ยาตอนนี้ด้านที่สองก็คือการแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทีนี้นอกจากชีวิตของเราจะเป็นธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางารธรรมชาติแล้วเราก็ยังเป็นมนุษย์ที่อยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราพูดกันตลอดว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นความสุขของมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานแต่ละเวลาแต่ละขณะอีกด้านหนึ่งก็เกิดจากการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์นี่แหละเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวใช่ไหมถ้าเป็นพระก็คือนี่แหละระหว่างเจ้าว่ากับลกวัดปฏิสัมพันธ์ครูอาจารย์กับศิษย์อาจารย์กั บ, อ, าากบอันเตวสิกกับอุปชากษัตริย์ที่วิหาริกนี่แหละ ก็อยู่ด้วยกันหรือบรรดาพเพื่อนสะาธรรมิกนี่แหละพออยู่ร่วมกันน่ยพ่อแม่ลูกหลานกับญาติมิตรเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ <c oughs> กว้างออกไปก็คือสังคมพอได้สัมผัส พ, พูดจากับคนน้นคนนี้ความสุขที่เกิดจากสัมพันธ์พูดกันด้วยเมตตาไมตรีมีความสุขน <c oughs> นี้ฐานที่สองเนี่ยก็คือว่าในฐานของมนุษย์เราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมนุษย์มันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละ อยู่ด้วยกันก็มีความสุขมีการปฏิสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันช่วยเหลือกันเจออาจารย์เผื่อแผ่กันอันนี้เป็นความคิดนะควรอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์ไม่เคยได้เข้าถึงเลยนะตอนนี้แปลกแยกเรียบร้อยแล้วระบบครอบครัวก็พังส่วนใหญ่นะพังระบบวัดก็เริ่มพังเอวัดเนี่ยจริงๆไม่น่าพังนะฐานของวัดน่าจะมีการ เกื้อกูลกันอย่างดีวันก่อนนี่ไหมพวกฟังเรื่องแล้วตกใจเลยคือว่าเจ้าวาดป่วยค้าลูกวดัดไม่ดูแลบอกมีข้อแม้ถ้าจะดูแลต้องมีการจ้างย่างวันละสา0ร้อ้อโหเนี่ยยุ่งเลยเดวนี้่เนี่ยนี่ยยุ่งแลเรียบร้อยแล้วฐานของความปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงเนี่ยแปลกแยกกับเพื่อนมนุษย์แต่สำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ระบบแข่งขันหาผลประโยชน์ พาวจิตใจของเราห่างเหินกันออกไกลมากเลยนอกจากจะแข่งขันโดยตรงแล้วแม้แต่เวลาที่อยู่ในบ้านและอยู่ในครอบครัวใจมันก็ไม่อยู่มีคนจนํานวนมากที่ตกอยู่กับอใจอยู่กับบ้านเนี่ยตัวอยู่กับบ้านเนี่ยอยู่ในครอบครัวแต่ใจไม่อยู่เพราะใจไปอยู่กับเรื่องงานเรื่อ ง, งเอ ง, ง, นเ ง, งินเรื่องการแข่งขันเรื่องความเครียดความกุ้มความวิตกกังวลเสียความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวจิตใจเขาโม่แต่เครียดบั่งกังวลบ้างเร่าร้อนบั่งแทนที่จะได้ความสุขความอบอุ่น จากการว่าอยู่กับพ่อแม่ลูกหลานปู่ตายายใหญ่มันงดหงิดกับจิตใจเกิดความงดหงิดเลยแต่เนี้ยคืองดหงิดด้วยนะกข่านักขา่กขาวก็ขัดแย้งกันเองนักข่าก็เป็นเรื่องงาน ร, ระบายความเครียดกลายเป็นเกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมาคนในครอบครัวแทนที่จะมีความสุขก็มีแต่เรื่องไม่ดีมาเล่าตลอมีแต่เรื่องเครียดเรื่องกุ้มเล่าลูกก็มีปัญหา พ่อก็มีปัญหาแม่ก็มีปัญหาเครียดกุ้มนะครับนะครับเวลาสัมพันธ์กันก mm ็เลยไม่ได้ความรักความอบอุ่นเมื่อมนุษย์ไม่ได้ความรักความไม่ได้ความสุขของการกันกันก็บีบความสุขหายไปนะครับนะครับก็บีบก็ไปยิ่งไปหาแทนที่จะได้ความสุขจากการปฏิสัมพันธ์กันก็เลยต้องไปหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคยิ่งขึ้นเด็กๆไม่ได้รับความสุขความอบอุ่นจากครอบครัวจากพ่อแม่แกก็ไปหา ชดเชยความสุขจากสิ่งอื่นดีไม่ดีก็ไปมั่วสูงเสพยาเสพติดหนักเลยเดี๋ยวนี้นะก็ระบายไประบายความทุกข์แกก็ไปหาสิ่งเสพนั้นคนในระบบแข่งขันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมองไปที่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้จะเอาก็เสียความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์มองเห็นมนุษย์เป็นคู่แข่งใชเวลาขับรถไปเนี่ยปุ๊บอีกคันนั้น ใหมันเหยียบเท่าไห ร, เร่เอ้ยเราเอาอะไรนี่แข่งเอ้ยมันเป็นเห็นมนุษย์เตีนเพื่อมนุษย์ไปด้เป็นเป็นการแข่งเจ้าชนะกันใช่ไหมเออไปไปมาๆมันเสียปฏิมันเป็นปฏิปักษ์กัามีความหวาดกระเวงอ่ะพบจากพูดจากันไม่ค่อยมีความจริงใจแล้วหนักไปกว่า น, นั้นก็คือมองคนอื่นเป็นเหมือนเหยื่อว่าเราจะเอาผลประโยชน์จากเขาได้อย่างไรเออเดี๋ยวนี้มันมีวิชาวิชาหนึ่งนะเขาเรียกวิชาจิตวิยา เขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาทางด้านธุรกิจมีมวีวิชานี้เกิดขึ้นนะก็คือว่าเวลาเราพูดดีกับเขาเนี่ยเออเราจะล้วงเงินออกจากกระเป๋าเขาได้ยังไงโอ้โหมีวิธีการขนาดนั้นนึงคือจะเอาผลประโยชน์จคนคนที่เราไปคุยด้วยไปปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างไรเหมือนคนไปขายประกันเนี่ยเขาไปพูดปุ๊บแหมหวังดีกับเราเลยใช่ไ เนี่ยคุจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเรามีหลักประกันให้กับคุณยามเจ็บป่วยไข้ก็ดีหรือคุณจะได้ออมทรัพย์เลยเนี่ยลูกหลานคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้นอนโรงพยาบาลที่ดีโอ้โหพูดเงี้แต่วัตถุประสงค์ก็คือมีเจตนาไม่ดีสมมุตินะถ้ามีเจตนาดีก็ว่าไปแต่เจตนาก็คือต้องการจะลวงเงินออกจากกระเป๋าเขาเรียกว่าเป็นจิตวิยาแบบธุรกิจไอนิกนณาเป็นห่วง นะพอพูดถึงในด้านของวิชาจิตวิยาก็คือเป็นวิชาที่ไม่มีความจริงใจต่อกันโอ้โหยุ่งเลยทียนี้ถ้าบอกเฮ้ยคนนี้มันกําลังใช้จิตวิยากับเรานะีแปลว่าว้ใจไหมเห็นไหมไอ้วิชาการประเภทนี้ยมันเกิดการเป็นไม่น่าไว้วางใจขึ้นมาไอ้วิชาประเภท เ, ออเคยไปอบรมนักจิตวิทยาบ่อยมากปีละครั้งละครั้งละครั้งนักศึกษาก็ดีครูอาจารย์ที่ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เออพอไปไปมาเนี่ยหลายๆคนเลยไปมองว่าเ อ, อ้ยจิตวิทยาเนี่ยถ้าบอกนี่ฉันกําลังใช้จิตวิทยากับคนนะอันนี้แปลเอ้เอ้เนี่ยชักไม่น่าไว้วางใจเออกลายเป็นหวาดระแวงกันซะหนิเนี่ยมันกลายเป็นว่าการยิ้มแย้มก็ทําไปด้วยความคิดซ่อนแฝงที่จะเอาจะได้ทําไปอย่างนั้นเองดังนั้นความสุขจากเมตตาเมตียต์มันจึงเป็นไปได้ยาก ยิ่งเมื่อในสังคมมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันแต่ละคนก็มุ่งเอาผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นอัจฉริกรรมมีการหลอกลวงกระบาดไปทั่วคนบางกลุ่มบางพวกแทนที่จะรับความอบอุ่นใจก็กลายเป็นหวาดหวั่นหวาดระแวงกลัวภัยแม้แต่เด็กๆที่ถือกว่าอยู่ในวัยที่มีจิตใจบริสุทธิก็ยังต้องถูกสอนให้ระแวงระวังเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองว่าระวังม่จะถูกหลอกชักจูงให้ไปติดยา โอ้โถูกสอนขนาดนั้นนะตอนเนี้ยระวังไว้นะลูกนะไปโรงเรียนเนี่ยอย่าไปคบกับใครนะระวังเข้าไว้เนี่ยเด็กคนนั้นมันมีนิสยัยอย่างนั้นไม่ดีนะแ ต, แต่ก่อนนี้เขถือว่าโอ้โหเด็กเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ถูกสอนกันอย่างนี้แล้วนะพ่อแม่สอนนะเป็นการ แท้ที่จริงเนี่ยนะความสัมพันธ์ครอบหาในหมู่มนุษย์แทนที่จะได้เกื้อกูลกันและมีความสุขมันก็กลายเป็นภัยอันตรายและเป็นความทุกข์เป็นความเครียดเป็นความขัดกุ่มเรียบร้อยไป แ, แปลกแยกหรือยังแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์เรียบร้อยนี่มองเห็นชัดไหมเออนี่พูดปัญหาให้ฟังก่อนแต่ยังไม่ได้พูดว่าจะแก้ยังไงอันนี้พูดเรื่องทุกข์นี่ยนะพูดเรื่องปัญหาเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็เจอใครช่วยเป็น ถามหน่อยในปัญหาเราเนี้ยแล้วเราจะแก้ยังไงนี่โยนปัญหากลับไปบ้างมาพูดเรื่องแก้แก้ แ, กแกพอพูดปัญหามนุษย์จะได้เห็นโอ้โหปัญหามันเกิดขึ้น <c oughs> ได้สองแปลกแยกประการที่สามเดี๋ยวจะไม่จบวันนี้เอาแค่แปลกแยกก่อนเนี้ยเดี๋ยวปัญหาหน้าจะต้องวินเ ว, น ว, น, วนวันต่อๆแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตของตนเองหรือแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่ยเฉยๆหรอก เราก็ทํำน้นทํานี้เรื่อยเปื่อยจะมาทำไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยเรานั่งกันอยู่เนี้ก็มีคนกว่าเราก็ทำเนี่ยนั่ง ส, สนทนากันเนี่ยทุกคนไม่ได้อยู่เฉยเลยจะต้องมีกิจกรรมของชีวิตแม้นักบวชเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าไม่มีกิจกรรมของชีวิตหรือมีสิใช่ไหมเออพระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องกิจกรรมของชีวิตเยอะหมดเลยเอาสิวัด เรียววัดในการปฏิบัติต่อวิหารลานโพอ้าวเลยเต่อไปไปที่ต้นพระศรีมาโพก็ดีไปที่วิหารก็ดีไปที่พระเจดีก็ดีเนี่ยควรไปทําอะไรไปทําความสะอาดอยาัวัดเป็นข้อปฏิบัตินั่นคือกิจกรรมของชีวิตนะเ <s> วลาอยู่ด้วยกันน่ยอันเตวศิ ก, กาวัดอุปชายวัดเนี่ยนะสัตธิวิหารริกาวัดเนี่ยเป็นต้อนอะไรเนี่ยอริยวัดเนี่เป็นข้อปฏิบัติต่อกันอย่งนั้นเลยเสด็จการจารย์ปฏิบัติต่อกันยังไง ครูอาจารย์ปฏิบัติต่อสิทธ์สิทธ์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์อุปชาปฏิบัติต่อสัตวิทวีหาลิกสัาตวิทีหาลิกปฏิบัติต่ออุปชาเนี่ยออวัดในการในอยู่วิหารทํำยังไงแม้เข้าห้องน้ําทํากิจกรรมกิจกรรมของชีวิตต้องทํำยังไงโหมีมีกิจกรรมตลอดบิณฑบาตก็เป็นกิจกรรมของชีวิตการกินอาหารก็เป็นกิจกรรมของชีวิตการซักจีวรผมจีวรทั้งหลายเนี่ยการเก็บกจีวรการแจกจีวรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นกิจกรรมของชีวิตหมดเลย จริงๆต้องมีกิจกรรมของชีวิตหมดไหมเออกิจกรรมของชีวิตนี่แหละทีนี้ชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละขนาของเรานอกจากจะอยู่กับธรรมชาติและอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเนี่ยก็อยู่กับการกระทาการขยับเ ข, ขยื่อนเคลื่อนไหวตลอดการก้าวไปถอยกลับแลตงแรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกก็นกิจกรรมชีวิตเ การกินดื่มเคี้ยวลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งโอ้โหกิจกรรมของชีวิตนี่มันดําเนินตลอดเลยนะเนี่ยก็เนี่ยมีตลอดแหล่งทีนี้กิจกรรมของชีวิตของของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแหล่งความสุขพื้นฐานอีกด้านหนึ่งของเราก็คือกิจกรรมของชีวิตเหล่านี้ถ้ามนุษย์ขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆทําไปทํามาเนี่ย ถ้าเรามองดูนะว่ามนุษย์เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเวลาทำอะไรเขาก็จะทำด้วยความต้องการผลโดยตรงของกิจกรรมเขาต้องการผลอย่างไรอย่างหนึ่งเขาก็ทำกิจกรรมเช่นถ้าเขาต้องการที่ต้องการปลูกต้นไม้เขาก็ต้องไปขุดดินแล้วก็เอาต้นไม้ไปลงแล้วก็ก็ดูแลทำการลดน้ำพรวนดินใช่ไหมเออกิจกรรมเป็นอย่างงั้น ทีนี้มนุษย์โดยฐานเนี่ยโดยพื้นฐานเว่าทํากิจกรรมใดก็ต้องการผลของกิจกรรมนะั้นฐานเดิมเป็นอย่างนี้แหละต้องการผลก็ทําเหตุให้ ต, หตรงกับก็เมื่อทําเหตุถูกต้องเหตุนั้นก็นําไปสู่ผลเขาก็จะมีความสุขอย่างที่บอกอย่างที่กล่าวมานันแต่คนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้กิจกรรมการงานที่เขาทานั้นบางคนเขาก็ทําไปโดยไม่ต้องการผลของมันหรอก ที่แท้จริงหรอกทำไปโดยไม่รู้ตัวถึงผลด้วยให้สังเกตด้วยนะบางทีแม่บอกว่าโลกไปถูบ้านโลกก็ไปทําแล้วไปถูบ้านทุกมากทําไปงั้นกี่เกียดแบกแยก ไ, ไหมแต่แยากจะกกิจกรรมขอชีวิตเรียบร้อ ย, ยก็ไปถูถูเครียดกุ้มมาใช้แต่เราเ น, นี่ยเหนื่อยเคยเป็นดไหม เอาไปซักผ้าเครียดมาอยากจะทำเลยเนี่ยแปลกแยกไหมปแปลกแยกอย ก, กิจกรรมของชีวิตก็ทำแบบเสียแค่ไม่ได้ทำแบบไม่มีความสุขทำไปเงั้ยเยบางทีมันทำเนี่ยมันลำคาญไม่ทำก็ไม่ได้มันลกลงลังไปหมดเงี้ยก็เลยต้องทำเสื้อผ้ามันเหม็นก็ต้องซักเพราะงั้นแต่แต่ว่ามันทำไปมันไม่มีความสุขเพราะมันจิตมันไปอยู่กับเรื่องอื่น ไปวิตกกังวลก็คือเนี่ยเป็นยางไงมันกลายเป็นว่าที่หนักไก้กว่านั้นอย่างที่ได้บอกอย่างบางคนเอาไปทำงานไปรับจ้างขุดดินเพื่อจะปลูกต้นไม้แต่ใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาแปลกแยกเลยเขารอว่าได้ค่าจ้างเงินเขาไปอยู่นน่นแล้วเนี่ยแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเรียบร้อยแล้วเขาไปซักผ้า ไปซักผ้าเนี่ยเขาก็แปลกแยกกิจกรรมขอชีวิตเรียบร้อยแล้วเขาได้ค่าซักผ้าไปถูบ้านเขาก็ได้ค่าในการดูเป็นแม่บ้านไปหุงข้าวทําอาหารเขาจะได้ไปเอาอาหารไปขายเขาจะได้ได้เงินก็แปลกแยกเรียบ ร, รอ้อยแบบเร็จเลยที่เขาพยายามทําให้มันอเ็กทํำดิ้นหน้าดําคําเครียดทั้งหลายเลยเนี่ยที่เขาตั้งเยอะเขาแปลกแยกกิจกรรมของชีวิตนะไอความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํา หรือการมนุษยการในการทำเนี่ยไอ้ที่จะมีความสุขมีการใส่ใจแล้วก็มีการฝึกฝนพัฒนาเดิมันไม่มีแล้วมันแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเรียบร้อยซึ่งคนสมัยก่อนก็ไม่เป็นลักษณะแบบนี้ไอการแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตนี่ก็ไม่เป็นอตรงนี้สรุปก็คือว่ามนุษย์มีการแปลกแยกสามทาง 1. แปลกแยกจากธรรมชาติ2แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ ประการที่สามก็แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตใช่ไหมพอเห็นเห็นไอ้แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมองเห็นเยอะั้มเราก็จะเห็นชัดเลยว่าไอ้ตัวดำเนินกิจกรรมของชีวิตก็คือการงานทั้งหลายที่มนุษย์ทำกันมันจะมีผลโดยตรงผลโดยอ้อมคนที่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตก็คือว่าเวลาทางานไม่ได้ไปไปสู่จุดหมายโดยตรงไปจุดหมายโดยอ้อมไปผลไปกดสมมติ แล้วก็มันเครียดมันกรุ่มมันวิตกกังวลตลอาในขณะที่เราทําสิ่งต่างๆอยู่เนี่ยนีแม้เป็นพระก็เป็นเอามาพูดในเชิ ง, งความเป็นพระจะเห็นได้ชัดภิกษุสา ม, มนเณรในยุคปัจจุบันก็ามาบวชเรียนกันนี่ยในขณะที่บวชเรียนกันโอ้โหเวลาเรียนกันก็บังคับเนี่ยถ้าไปตามสํานักเรียนต่า ง, งๆเราจะเห็นชัดเลยเขาแปลกใหญ่อีกกิจกรรมของชีวิตจริงๆเขาไปถูกบังคับให้เรียน แล้วก็จะต้องสอบให้ได้ถ้าเป็นนักธรรมคนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแต่รเรียนกับรเรียนหนึ่เรียนสามเรียนสี่ห้าหกเจ็ดบางคนเรียนอภิษฎพธรรมกับจุรตีจุรโทรจุรเอกมัชฌิมตรีมัชฌิมโทมัชฌิมเอกก็ไรไปเนี่ยเห็นไหมเออพอไปเรียนจริงๆรเนี่ยนะมันแปลยกยกจะกิจกรรมกองชีวิตวเขาเรียนด้วยความทุกข์ด้วยความกลุ้มเขาไม่มีความสุขในการเรียน เพราะเขาหวังใบประกาศหวังจะได้สอบได้หวังจะได้เลื่อนชั้นและในขณะเดียวกันก็ฝืนใจทนฝืนใจทํามนาครูที่สอนก็เขาก็ไม่อยากจะมีความสุขในการสอนเขาแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเหมือนกันก็ามีความทุกข์ความเครียดความกุ้มมากในขณะที่มาทําก็พุลสวา่าตออกมาบางทั้งดา่าทั้งว่าอะไรสารพัดแต่ที่ต้องทําไม่ได้อะไรเรามีเงิน มันแปลกแยกเรียบร้อยหมนี่ก็เลยแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตนี่เห็นไหมอย่างจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากเพื่อนมนุษย์จากกิจกรรมของชีวิตเออถ้าพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะสอนเอาละแต่เนี่ยเวลาระเบียบกติกาหรือกฎสมมุติที่พระพุทธเจ้าทรงวางเข้าไว้วินยัยเห็นไหมกติกา ทั้งหลายเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าวางระบบกันไว้เนี่ยเออเป็นระเบียบแบบแผนแกติกาเป็นข้อตกลงที่พระองค์วางหลักกัาไว้ยพอเราเข้ามาสู่ระบบตรงนี้ปุ๊บเช่นการยืการที่เราจะต้องมาทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ปุ๊บเนี่พยพระเจ้าบอกว่าเออนี่เป็นการฝึกฝึกพฤติกรรมไม่เป็นไปกรสีนเอาเลยทีเนี่ยเนี่ยให้โดยจุดหมายโดยตรงก็คือว่าในขณะที่เราปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยโอ้โหจุดหมายโดยตรงก็ได้ด้วย ก็คือพื้นสะอาดสระวงการเปลี่ยนนั่นสะอาดเสนาส น, านั่นสะอาดการจัดวางเสนาสะนะได้ถูกต้องเหมาะสมถ้าไม่ทําเป็นอาบัตยังไงปรับเลยเออเนี่ยทาตรงนี้ได้เลยนอะเอามาทำเนี่ยไมย่หมายก็เออเพราะเป็นอาณาเป็นกฎระเบียบที่ทรงวางไว้เป็นกติกาก็มาทําถ้าไม่ทําไม่ได้ป่งปรับโทษปรับโทษทีนี้ในขณะที่ทำเนี่ยพระไม่ได้อยู่เพียงแค่วินัย พอมาทำแล้วเนี่ยเออเห็นเส น, สนาสนะนั้นสะอาดขึ้นเห็นลานโพสะอาดเห็นลานพระเจดีสะอาดเห็นสถานที่ทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดเอี่ยมอ่องเออมันได้ผลตามตามกฎสมมุติกติกาที่ตกลงกันอย่างนี้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมของชีวิตนั้นเป็นตัวเปิดโอกาสให้ได้ฝึกหนึ่งพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่สามารถเข้าไปสู่ศีลสามารถเข้าไปสู่ศีลได้จริง เออสภาพศีลเกิดขึ้นเจตนาก็เป็นศีลแล้วความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเป็นศีลอย่างไงก็ว่าไปก็เกิดการงดเว้นบาปทีนี้พฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาทั้งหลายที่กระทําออกมาที่เป็นไปกับศีลไม่ได้ฝึกแล้วพฤติกรรมสะอาดเอี่ยมอ่องเรียบร้อยดีงามไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายอันนี้ถูกฝึกแล้วอ่ด้านจิตใจเป็นยังไงโอ้โหสภาพจิตใจถูกฝึกด้วย ได้ทั้งคุณภาพคือสภาพของเมตตาเกิดขึ้นมีความรักปรารถนาดีต่อกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีความรักว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนบมอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีความสุขโอ้ทาไอ้ทำอย่างนี้ได้กระทบถึงเมตตาในใจเรากรุณาเพื่อนบมอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาทำไม่ได้เราได้ขนไถ้ในการช่วยเหลือเพอเพเออได้กรุณา ได้มุทิตาเห็นเพื่อนพรมอาจารย์เ็าฝึกฝนพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาไปด้วยช่วยสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันโหได้ทั้งกระตันยูรู้คุณกระตาเวทีตอบแทนคุณสถานที่บ้างออกรอบครคุณของพระราตนาตรายไยเป็นต้นมามีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป เ, เกิดขึ้นสภาพจิตเข้าถึงคุณภาพดีน่ะเข้าได้อะไรต่อ น, นี้พะสมรรถภาพจิตเกิดความเลวกลา บากบัน่นไม่กลัวต่อความยากของอุปสรรคนั้นของงานที่ว่ายากนั้นว่าเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวแล้วมีได้ความเกล้ากล้ามาได้ความอดทนตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นแห่งจิตได้ความอดทนแห่งจิตกํากับจิตไว้ให้ตั้งอยู่บนเหตุและผลของปัญญานั้นได้สติในการที่ทำการที่ทําได้สมาธิคือความตั้งมั่นได้ความไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงเอาอะไรในนี้ได้สมรรถภาพด้วยทีนี้ ที่ตามต่อมาได้ความผ่อนคลายได้ปลาโมดได้พิธีได้ความสุขโอ้โหสภาพจิตใจถูกฝึกไปด้วยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่แปลกแยกทีนี้ต่อไปได้ได้ฝึกอีกด้านก็คือด้านปัญญาได้ความชาญฉลาดเข้าใจเหตุเข้าใจผลได้ทดสอบได้ทดลองได้วิจัยได้แยกแยะโอ้โหทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิต ในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในกิจกรรมของชีวิตดําเนินไปก็ไม่แปลกแยกเลยนะการกินดื่มเคยวริมทายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตได้ฝึกตนเองทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาทุกด้านเลยการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งโอ้ได้ฝึกนี่ด้านพระภิกษุที่อยู่เอ๊ะตรงนี้กลายเป็นมองอะไรเป็นเรื่อง แม้ไม่แปลกแยกจะ ก, กิจกรรมของชีวิตเลยแต่นี่มีความสุขใช่ไหมทางด้านพฤติกรรมก็พัฒนาขึ้นจิตใจก็พัฒนาขึ้นปัญญาก็พัฒนาขึ้นเออเนี่ยแหละนี่ด้านของพระภิกษุษสามนเณรที่อยู่ด้วยกันทํากิจกรรมของชีวิตแต่ละวันไม่ได้ทำไปแบบว่าเครียดกลุ่มเป็นไหมอ่านหนังสือก็กลุ่มฟังอะไรก็กลุ่มเดินอะไรก็แมรหาทางออกของชีวิตไม่เจอเลยว่างั้น เมื่อไรมันจะได้ปัญญาวิ่งไปข้างหน้าตลอดกับไม่ได้ฝึกในปัจจุบันนั้นนะมองเห็นนี่ยังเป็นไหมแบบเนี้พอจะทําได้ไหม <laughs> พอทําได้นะเออตรงนี้แต่ยังไม่ได้บอกอรายละเอียดกันนะทำยังไงจะไม่แปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทำยังไงจะไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทําอย่างไรถึงจะไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเมื่อกี้เลยพูดกิจกรรมของชีวิตก่อนแท้จริงต้องไปพูดเรื่องธรรมชาติก่อนนี่ก็เลยว่าพูดเรื่องพระก่อนอันนี้ก็ พูดไวตรงนี้นิดแต่ในรายละเอียดเห็นไหมมันมีความละเอียดอ่อนมันมีความสลับซับซ้อนมากนั่นจะแปลกใจว่าเออการดําเนินชีวิตของคนในยุคเนี้ความสุขมันไม่ได้อย่างจริงอยู่มันก็ไม่สุขแล้วมันก็กลุ่มอะไรก็ไม่รู้นะอยู่คนเดียวก็กลุ่มกัดกลุ่มไปอยู่กับเพื่อนมนุษย์ก็ไม่สุขไปอยู่กับธรรมชาติก็ไม่สุข ไปไปมามาเลยหลายคนเ็าบอกผมยังมองหาตัวเองไม่เจอเลย <c oughs> ใช่ไหมครับอะไรก็เลยพูดมาค่อนข้างเย็ะเยือิ่งสมควรเก่เ ว, วลานยขอยุตีเพียงก่อนขอหมดนะ